50 languages. e <URGHCheque> the a t t i i r a n ் 2. i a n d a column i a m b u l a n c e You a m b u l แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมอุณอก็มรดุวารีคูปปี้เวนดิวันเดีแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมอุณอก็พโ l i c e y คูปปี้เวนดิวันเดีคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะุงั้งลโทรไปสีนับเบอร์อีริกระ ด, ะดายดดี่ปอดยันนีดัมอัตยรันดั คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยคะ่ะคุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยคะ่ะคุามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ ะ, นะะเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ อ வ ன ு க ் க ு நீ சொல்வது ப ுปி ந ิ த த ா அவனுக்கு நான் นொ்่ส த ுงு ர ி ய வ ி ல ் ல ைาวินนววทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะวุณ น, นัลเย็นเน த ทิรกุบารมุฎิกาวิ ல เลยทำไมคุณหาทางไม่พบคะวุณ น, นัลเยน வழி க ค் ட ு ப ி ட ிก் க ம ม ட ிิ வ ி ல ் ல ைลยทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ อ ன ் ன ா ல ் ஏன் அ வ ன ை ப นไม่พูดิ้นด ள โคลนมุดีก ல บวลิลเลยิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์เ ன ็นนวลสมั த ยติลบารมุดีกับ ல ิลเล ன ์เย็ยนอินรอลเพื่อนุนดูวัน ல ีกับวิลเลดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองเย็นนิดำนกัก த ารศึกษาบารายพัด ல หรือลาวดาด க ลเย็นักคูว่วัด ல ตีร ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปอิ่งใมีกบุ้มสัตตมอคยืนรันดดอลอวันสนนัุปุริยาบิลเลยดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่นอนอูร์แท็กซี่เอดกกะเวนดิวัน ด, ดัดดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองนองวูรนกกร ะ, รระวารปั้นหว่งะเวนตีวัน ด, ดั ดิฉันต้องปิดวิทยุ Non r ดิโอไปอันอีกเบนดิวันเด็